เรื่องอนุญาตให้ภิกษุถือเสนาสนะสมัยนั้นพวกภิกษุสัตรสัวัคคี17รูปซ่อมแซมวิหารหลังใหญ่แห่งหนึ่งอยู่สุดเขตอาราม ด้วยหมายใจว่าพวกเราจะจำพรรษาในที่นี้พวกภิกษุฉับพคีเห็นพวกภิกษุสัตตะสวัคคีกำลังซ่อมแซมวิหารครั้นเห็นแล้วจึงกล่าวกันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกภิกษุสัตตะสวัคคีเหล่านี้กำลังซ่อมแซมวิหารมาเถิดพวกเรา ช่วยกันขับไล่พวกภิกษุสัตตะสวัคคีนั้นออกไปภิกษุบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายโปรดคอยจนกว่าพวกภิกษุสัตตะสวัคคีนั้นจะซ่อมวิหารเสร็จแล้วพวกเราค่อยไล่ออกไปต่อมาพวกภิกษุฉับพักขีได้กล่าวกับพวกภิกษุสัตตะสวัคคีดังนี้ว่าพวกท่านจงย้ายออกไป วิหารเป็นของพวกเราพวกภิกษุสัตตะสวัคคีกล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกท่านควรจะบอกก่อนมิใช่หรือพวกเราจะได้ซ่อมแซมวิหารหลังอื่นพวกภิกษุฉับ พ, พักคีตอบว่าท่านทั้งหลายวิหารเป็นของสงฆ์มิใช่หรือพวกภิกษุสัตตะสวัคคีตอบว่าใช่ ท่านทั้งหลายวิหารเป็นของสงฆ์พวกพิกษุฉับพักคีกล่าวว่าพวกท่านจงย้ายออกไปวิหารเป็นของพวกเราพวกพิกษุสัตรสวรคีกล่าวว่าวิหารใหญ่พวกท่านก็อยู่ได้พวกเราก็อยู่ได้พวกพิกษุฉับพักคีกล่าวว่าพวกท่านจงย้ายออกไป วิหารเป็นของพวกเราแล้วโกรธไม่พอใจจับคอฉุดลากออกไปพวกภิกษุสัตตะสวัคคีเมื่อถูกพวกภิกษุฉับพักคีฉุดลากออกไปก็ร้องให้ภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านทั้งหลายพวกท่านร้องให้ทําไมพวกภิกษุสัตตะสวัคคีตอบว่า ท่านทั้งหลายพวกภิกษุฉับพักคีเหล่านี้โกรธไม่พอใจฉุดลากพวกกระผมออกจากวิหารของสงฆ์บรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตําหนิประนามโผลทนาว่าฉะไหนพวกภิกษุฉับพักคีจึงโกรธไม่พอใจฉุดลากภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆ์เล่าครั้งนั้นแหละ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 จริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกาถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุกโกรธไม่พอใจไม่พึงฉุดลากภิกษุออกจากวิหารของสงรูปใดฉุดลากพึงปรับอาบัติตามธรรม ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุถือเสนาสนะ